อาจารย์ครับการนวัส ก, การครับผมเจรัญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสามสิบนะครับผม <c oughs> ก่อนเข้ารายการพระอาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมเก็เท่าเดิมประมาณสี่ร้อยสิบเ็ดคนเลยสีร้อยสิบเอ็ดคนครับผมอืมและตั้งออนไลน์ก็เยอะก็ 600, ประมาณ <6. S 1> สองร้อยประมาณหกสิบกว่า ครับแล้วฟังธรรมกันเยอะไหมครับพระอาจารย์วันนี้ที่หน้ากุเตก็ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเก้าท่านครับผมรวมกันทั้งหมดทั้งออนไลน์ทั้งที่หน้ากุ 34, เตก็เจ็ดร้อยสามสิบสี่อ๋อทางทางครับเป็ น, เ ป, นเป็นยอดปกติยอดปกติครับตอนนี้ก็คนฟังรอฟังพระอาจารย์อยู่ประมาณพันคนแล้วครับผมจากทุกช่อง<ม>ทางนะครับ ว่าตอนต้นรายการแจ้งแจ้งเพื่อนๆไปสองอย่างครับอาจารย์ครับเรื่องที่จะมีการเลื่อนจัดรายการสองครั้งหน้าครับอาจารย์ได้แจ้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการในครั้งครับยีิบสามใช่ไหมวันวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็แล้วก็วันนี้ผมได้หนังสือแล้วนะครับอาจารย์ครับฉบับจริงครับในนี้มีผมด้วยครับอาจารย์มีรูปผมด้วยครับ มีรายการนี้ด้วยครับอาจารย์อขาดูย้นหังได้ครับอาจารย์ก็จะแจกเพื่อนๆในวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับอาจารย์หนึ่งพันเล่มครับผมอันนี้ประกาศเดี๋ยวให้ลงชื่อพร้อมกันวันที่หนึ่งครับอาจารย์ต้องครับ พระอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อเรื่องที่พึ่งของใจครับก็จะได้พักผ่อนจิตใจไว้ในหนึ่งอาทิตย์ตเต็มครั บ, บ, บรพระอาจครับกลับกอความเมตตาพระอาจารย์ครับใจก็เหมือนร่างกายร่างกายเราต้องมีที่พึ่งออกไปทํางานนอกบ้านเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อไก็ต้องกลับเข้าบ้านพักผ่อนนอนใจก็ต้องมีบ้านเหมือนกันบ้านของใจเราในว่าที่พึ่งของใจวันที่พึ่งของใจนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอยู่สองสองปัจจัยด้วยกันประการแรกก็คือเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพื่อคือเป็นผู้สั่งสอนเพราะไม่มีใครในโลกนี้รู้จักวิธีสร้างที่เพื่งทใจที่จะให้ใจหลดจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้วัตตสโลมวิธีสร้างที่เพื่อดังใจ หลังจากนั้นก็ส่งมาเผยแพร่สั่งสอนกลายเป็นพระธรรคําสอนแล้วก็มีพระอาธิยศสงสารที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถสร้างที่พึ่งทางใจดได้มาเป็นผู้ช่วยเหลือในการเผยแพร่สั่งสอนวิธีสร้างที่พึ่งทางใจนี่คือที่ทพึ่งมาแรกที่ทุกคนจะต้องมีถ้าอยากจะมีที่พึ่งทางใจเราต้องยึพดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ พระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกเป็นสัตธาเทวมนุษย์นําเป็นเป็นครูของของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายใครที่อยากจะใรที่มีปัญญาใจนี้ต้องเข้าหาพระพุทธเจ้าเพียงก็องคเดียวหรือเข้าหาพระธรรมคำสอนถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่แล้วก็อาศัยพระธรรมคำสอนโดยพระอริยสงสารเป็นผู้ที่สั่งสอนต่อไป เมื่อเราได้ศึกษาล้ำเหนืวิธีการจะสร้างที่พึ่งทางใจแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเป็นคนสร้างที่เพึ่งนี้ขึ้นมาเราต้องเป็นที่เพึ่งของเราอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นที่พึ่งทางใจอีกอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าอัตตาอัตโนมัติเราดอนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราได้ทุกคนต้องสร้างที่พึ่งของตนเองต้องปฏิบัติเอง ต้อศึกษาจากพร้พุทธพระธรรมพระสงฆ์มไม่ได้แบบแปลนแล้วได้แผนผังของการสร้างแล้วเราก็ต้องมาสร้างเองอันนี้ก็เลยกาอัตตาอัตนโนนาถมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างให้เราไม่ได้พระพุทธพระธมพะสงฆ์เป็แบบสอนวิธีสร้างที่เพื่อ น, นำใจให้กับเราเมื่อเรารู้แล้วต้อทำอย่างไรเราก็เอามาปฏิบัติต่อเมื่อเราปฏิบัติเราก็จะได้สร้างที่ ที่พึ่งของเราได้เสมอคำสอนพระเจ้า ก, ก็มีสาระใหญ่หญด้วยกันที่สอนให้เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างที่พึ่งทางใจคือเป็นที่ที่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นที่ที่ยังมีแต่ความสุขเพียงเดียวเหมือนบ้านบ้านถ้าเราเขาบ้านเราสึกปลอดภยัยรู้สึกว่ามีความสุขเลื่ความทุกข์กาย ต, ต่างๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันก็เข้ามาไม่ได้ทัในใด บ้านของใจนี้ก็เป็นที่ตกภยัยต่างๆที่กับที่ภยัยต่างๆคือความทุกข์กต่างๆไม่สามารถเข้าเข้ามาในใจของเราได้ถ้าเราสร้างที่พึ่งเป็นมาถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่คำสอ้สร้างที่พด้วยการด้วยด้วยด้วยการปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือให้นะการกระทําบาปทั้งปวง เพราะบาปการกระทำบาปจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็เราต้องไม่ทําบาปต้องรักษาศีลอย่างต่ำว่าศีน่ห้าไปถ้าเราไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติชิดไมกามไม่พูดปดไม่ดื่มของมลบาการความทุกข์ที่จะเกิดจากการกระทําของเราเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น อันนี้คือข้อที่หนึ่งเราต้องละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงคือรักษาสีหน้าให้บริสุทธิ์ให้เป็นนิจสีนให้เป็นนิสัยแล้วความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นข้อที่สองให้เราสร้างความสุขขึ้นมาในใจด้วยการทําความดีต่างๆละการกระทำบาปแล้วได้สร้างความดีในรูปแบบต่างๆความดีก็คือการทํากุศลดาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น จะเป็นองป์กรก็ได้เป็นบุคคลก็ได้เป็นแม่ตัดสัตว์เทราฉันก็ได้ช่วยเหลือเขาก็ได้เขามีความสุขเรามีพออะไรพอที่จะทําได้ก็ทําให้เขามีอะไรแบ่งปันให้เขาได้ก็แบ่งปันกันไปทําบุญทําทานอย่างนี้ในรูปแบบต่างๆจะทำกับใครก็ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีการกาหนดว่าจะต้องทํากับพระศาสนาทานั้น ทำกับาศาสนาใดก็ได้ถ้าเราเคารวะสักนับถือศาสนาใดแล้วก็ทำบุญกับาศาสนานั้นก็ได้เราจะทำบุญกับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนองค์การกู้ภัยต่างๆก็ได้แต่ น, นี้เรียกว่าเป็นการสร้างสร้างบุศลสร้างบุญสร้างบุศลให้ถึงพร้อมเวลาทำบุญต้อจะมีความรู้สึกสุขใจใจในความสุข มีเงินอยู่เฉยๆวางไว้มันไม่มีความสุขแต่พอไปบริจาคก็รู้สึกไงรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาดีอันนี้สําหรับผู้ที่มีเงินทําหรือกินหรือใช้บตอ น, นก็ต้องเก็บไว้สําหรับเลี้ยงดูตนเองก่อนถ้าเรามีเงินพอเลี้ยงปากเลี้ยงเท้องเราได้ก่อนอต่ถ้าเรามีบุญเรามีความสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่าเงินที่เราต้องการใช้ในกับการต้องการพื้นฐาน เรามีเหลือเก็บไว้เไยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตามไปเข้าไปไม่ได้ต้าบอกให้เอามาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเป็นเงื่อนความสุขใจอันนี้คือข้อที่สองไม่ทําบาปแล้วให้ทำบุญแล้วข้อที่สามก็ให้มาชำระใจให้สะอาดรัพยอกใจให้สะอาดเพราะในใจยังมีกิเลสตัณหาโมหะวิชาเครื่องเศร้าผู้ที่คอยสร้างความเศร้ า, คว า, ราความทุกข์ความเครียดต่างๆให้กับใจ ต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปซึ่งมายากใจโดยการบาเพ็ญจิตกรรมภาวนาโดยการเจริญสตินั่งสมาธิเรียกว่าสมถะภ า, าวานานัคำที่สองก็ให้เจริญวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากการที่เราไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความสุขแต่เวาจริงสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะเขาเป็นของไม่เที่ยม ทั้งแม้ก็จะให้ความสุขเราในเรื่องต้นแต่ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปหรือหมดไปเมื่ก็เปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากเขาจะกลายเป็นความทุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหนา้ก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีออืความสุขจากรเสียงกินร้อนปวดเฉพาะต่างๆก็ดีมันเสื่อมได้มันเปลี่ยนได้มัมีหน้าก็เสื่อมหน้ได้มียศก็เสื่อมยศได้ มีสรรเสริญก็มีนินทาได้มีความสุขจากโลกเสียงกิริลดได้มันก็มีความทุกข์ได้เหมือนกันเวลาโลกเสียงกิริย์ลดเปลี่ยนไปแล้วหมดไปไม่จากออกไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนใจด้วยปัญญาเพื่อที่เราจะได้ละความอยากที่อยากจะได้ความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆในโรกนี้คือความจริงเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความอยากถ้าเรามีใจที่ไม่มีความอยากใจเราจะสงบ ในใจยังมีความสุขโดยอัตโนมัติเหตุที่เรายังไม่มีความสุขกันในใจก็เพราะเรามีความอยากอยู่เรื่อยๆอยากได้น่นอยากได้นี่อยากไปนูน่นอยากมานี่อยากดูนั่นอยากทำนี่ตลอดเวนามันก็เลยทําให้ใจไม่สงบไม่นิ่งนั่นเองถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบนิ่งเหมือกัเข้าสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิถ้าใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะมีแต่ความสุข ไปตลอดเนี่ยนะคือที่เพื่งดังใจต้องปฏิบัติสามขั้นตอนในกันราะ ก, การกระทำบาปทั้งป่วงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมชนะจิตใจให้สาหารระอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของรพระพุทธเจ้าทุกๆกุกองไม่ว่าจะเป็ น, ปนพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็าตามมาตัดสลับมาปรับมาเผิแผรรมมาให้แก่สรรไม่ว่าในยุคใดสมยดัยใด ทุกพระองค์จะส อ, สอนขับเหมือนกันหมดสอนสอนข้อนีเ้เพราะเป็นวิธีที่จะสร้างที่พึ่งทางใจถ้าใจได้สามารถปฏิบัติทำทั้งสามข้อที่ได้ใจจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจใจจะมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปาังมัเป็นความสุขที่ย่างยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะมีที่พึ่งทางใจต้องหาเวลามาสร้าง บางอย่างก็สามารถสร้างได้ในขณะที่เรายังทรรําภารกิจต่างๆทางโลกอยู่เช่นรักษาสิหนห้าไว้อย่าทําบาปด้วยการอย่าอย่าเป็นผิดศีลความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากการก็ทําบาปก็ไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีโอกาสมีเวลาหรือมีเมช่นช่วงนี้ก็ถิ่นเยอะเลยเนี่ยมีเพื่อนสอง่งซองมาให้กันเยอะแยะ เรียกว่าใส่ซองเข้าไปบรยจากไปไม่ต้องไปเก็ได้ไม่ต้องไปวัดเองก็ได้มีคนมารับรับรับบริเวณบริจากไปทาําบุญแต่ก็ต้องต้องมีคนที่เราเชื่อใจได้นะไม่ใช่พวกวิชาชีพที่จะมาคอยเราทำเงินไป้ะฝากมีใครไปทําบุญก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะ่าเขาเป็นคนที่เราเชื่อถือได้วิช่ใครส่งซองมาก็ใส่เข้าไปส่งไปให้เขา ไม่รเขาเอาไปทําจริงหรือม่อย่างไรคือถ้าเราไม่สะดวกใจกที่จะทําทในรูปแบบนี้เราก็รอไวล้วันไหนเราว่างคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็สามารถเอาเงินเข้ามาทีของวัดก็ได้ขงองค์กรต่างๆก็ได้ก็เราสามารถทำลุ้นสองอย่างนี้เราทำได้ในชีวิตประจําวันของเราส่วนงานข้อเทศสารนี้จะต้องมีเวลาว่างไปปฏิบัติจิตธรรภาวนาบางการนี้จําเป็นที่จะต้อง ทำตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับคือคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปูแตงให้ใจนิ่งให้สงบด้วยการผูกใจไว้กับกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเกิดพุทธานุสติเขาบราิคําพุทโธบ้างหรือดูลมหายใจเข้าออกบ้างถ้าเราสามารถเป็นสติผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เานี้ได้ใจก็จะนิ่งสงบชั่วคราว เรีวสมาธิสงบแบบเชื่อกาน เ, เรียกวสมาธิขณะที่สงบความอยากก็หยุดทำมาใจอะไรเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็เอาจากความเอาจากสมาธิมาพอปล่อยให้คิดถ้าเผลอปับเผลอไปคิดถึงความเรื่องที่ทําให้เกิดความอยากพอความอยากออกขึ้นมาก็เกิดความความวุ่นวายใจขึ้นมาทันีถ้าอยากจะกำจัดความอยาก หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาสนใจว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกขนะ์เนี่ยทุกข์า็มันไม่เที่ยงทุกข์า็เราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตา ม, ตามธรรมชาติของมันสรุปก็คือมันเป็นอนิจจังทุกขังมรรตตาทั้งนั้นหรือทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังมรรตตาทั้งนั้นอย่าไปหวังว่ามันจะให้ความสุขเราได้ตลอด เมื่อเราเห็น่มเป็นทุกข์เราก็จะได้หยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจที่วุ่นวายใจที่ไม่สงบก็กลับมาสงบแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเห็นว่าความสุขที่การไม่มีความอยากนี่เองไม่ใช่เกิดจากการได้ทําตามความอยากได้ทําตามความอยากก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อยากอยากของใหม่ขึ้นมาอยากสิ่งใหม่ขึ้นมาอยความอยากที่เกิดความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากนี่มัน มันมีนมัญญาสุขไปตลอดด้วยว่า้ยังมีความอยาก อ, อยู่มาพอความอยากขึ้นมาความสุขก็มแต่ถ้าเรามีปัญญารู้จักใช้ปัญญารู้จักพิจารณาเห็นตายักในทุกสิ่งทุกอย่างความอยากเลก็ด้บอกเป็นตายรักเท่นั้นแหะหมายถึงตรัเราก็หยุดความอยากต่างได้ตายไปตลอดอย่างอย่างเท้าวอย่าไม่มีวันสิ้นสุด เป็นนิพพานขึ้นมานิพพานคือความสงบที่ถาวรสมาธินี้เป็นนิพพานแบบชั่วคราวสงบแบบชั่วคราวสงบด้วยสติแ้่ถ้าสงบด้วยปัญญานี้จะสงบอย่างถาวรอนจารยครับแต่กว่าจะสงบด้วยปัญญาอย่างถาวร น, นี่ก็คือต้องผ่านขั้นสติสมาธิไปก่อนอยู่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ต้องสร้างสติสร้างสมาธิให้เป็นฐานกําลังก่อนต้องหยุด ต้องหยุดใจให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าหยุดใจไม่ได้เราก็หยุดความอยากไม่ได้เพราะความอยากอาศัยใจเป็นเครื่องือครับผมพอใจไม่นิ่งรับความอยากทํางาน ท, ทันทีแต่พอใจนิ่งรับความอยากทําไม่ได้ก็ความอยากทํางานไม่ได้แต่เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเราจาสมาธิมาพอใจเครื่องคิดความอยากมันก็จะแทรกเข้ามาได้ทัน ท, ที คิดถึงขนมไม่อยากกินแล้วคิดถึ ง, งเครื่องไม่อยา ก, กดืก่ครับอานะจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเราคิดเป็นไตรักขึ้นมาเรื่อยๆได้ถือว่าใต้ไหมครับอานะจารย์มันอยู่ที่กําลังขอ ง, ของการหยุดของเราว่าเราหยุดมันได้หรืเปล่าพอเราบอกมันเปนทุกข์เราหยุดมันได้หรือเปล่าบงทีอย่างเช่นคนติดบุหรี่ติดเรื่องไหนก็รู้ว่ามันทุกข์อ่ะแต่มันหยุดไม่ได้อ่ะใช่ไหม แต่ถ้าไปฝึกสตินั่งสมาธิเข้าฌานได้รับประการได้พอคิดถึงความทุกข์ของการเดือดรุรนาการเสื่เลยไหมก็จะเริ่มได้ทันทีไม่ยากเลยฉะนคนบางคนอาจจะเริ่มง่ายบางค น, คนอาจจะเริ่มยากก็ อ, อยู่ที่กําลังของการหยุดหยุดของของสติต่อจิตใจว่าห ย, ยุดได้มีกําลังมากน้อยบางคนก็เริ่มได้ง่ายเลยบางคนก็เริ่มได้ยาก แล้วแต่กําลังของของสติของแต่ละคอนไม่เท่ากันในหลักการแล้ะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะได้นำก็ลองดูได้ลองลองคลายร่างไปเดูดูอยู่ที่จะตัดได้หรือเปล่าเวลาที่เราเครียดขึ้นมาเวลาทุกขึ้นมาใช้ได้ก็โอเคเพราความเครียดแต่มันก็มีหลายระดับด้วยกันระดับที่มันง่าย ท, ที่จะตัดได้ ของที่มันใกลตัวนะมันตัดง่ายกว่าของที่มันใกล้ตัวของที่เรารักเราห่วงที่มันตัดยากกว่าครับแต่ถ้ามาถึงขั้นขั้นที่ใกล้ตัวนี้บางที่ต้องอาศัยสมาธิต้องอาศัยฌานช่วยเช่นสามโยนเนี่ยปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ของง่ายปล่อยวางร่างกายของเราเนี่ยพอพอดทําได้ของที่เสียคนที่เรารักไปแล้วพอจะทําใจได้แต่ต้องต้องเสียร่างกายของเราเนี่ยมันยากกว่าหลายเท่า ถ้าไมมีกำลังสมาที่มันหยุดหยุดความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ตายไม่ได้ท่านเรื่องไกลตัวผมรู้สึกว่าใช้คําพระอาจารย์ว่าดินฟ้าอากาศนี่หยุดหยุดได้ได้เยอะได้แต่พอไกลตัวนี้พอไกลตัวนี้มันยากเลยเรื่องของเงินทองของเราเนี่ยมันยากกว่าครับใช่ครับแต่เหตุการณ์ในชีวิตนี้บางทีก็ก็ตัดได้พอนื่อถึงว่าดินฟ้าอากาศ ฝนจะตกแต่จะออกอย่างที่พระอาจารย์สอนอย่างนี้ยครับออมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็ขึ้น อ, อยู่กับวเวลาสติของเราด้วยว่าเราสามารถทําตามที่ปัญญาสอนได้หรือไม่ครับกขอบพ ร, ระคุณพระอาจารย์ครับแต่ถ้าตัดไม่ได้แสดงว่าเราต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นสำหรับโจทย์อันนี้โจทย์ที่เรายังตัดไม่ได้ครับขอโอกาสถามจากท่านอื่นบ้างครับพี่สมพรนะครับ ใส่บาตรทุกเช้าปล่อยปลานั่งสมาธิก่อนนอนถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้แล้วหรือยังครับก็อยู่ที่ผลนะผลที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือการใส่บาตรการปล่อยปลาเนี่ยมันเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วแต่การนั่งสมาธินี่ถ้ายังไม่ได้ผลมั น, นก็ยังเป็นที่พึ่งไม่ได้ที่เรานั่งแล้วจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบอยนี้ก็มันอยู่ในขั้นที่เรากําลังพยายามสร้างความสงบขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ ก็ต้องพยายามนั่งสมาธิให้มากนนั่งให้นานขึ้นเพื่อจิต น, นิ่งให้สงบให้เ ก, ขขนนเกิดความสุขขึ้นมาถ้าจิตนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขอันนั้นเราได้ทีเพิ่มขึ้นแตเวลาเราทุกรับครดกับ เ, เรื่แล้วก็มานั่งสมาธิแทนแทนที่จะไปกินเหล้ามากแทนที่จะไปเล่นการพนากแทนที่จะไปดูหนังฟางเพงมากวิธีแก้ความทุกข์ของคนเราก็มาแก้ด้วยการเข้าสมาธิไป คุณดาครับระยะเวลาที่ใช้ทำสมาธิแต่ละครั้งควรทำให้มากๆครั้งละหลายหลายชั่วโมงหรือทำพอสมควรอย่างไหนดีกว่ากันหรือควรใช้เวลาทำครั้งละกี่นาทีครับคือความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ป ร, ริ ม, มาณมันอยู่ที่คุณภาพการนั่งสมาธิด้ในคุณภาพนั่งแล้วจิตสงบเนี่ยมันก็ห้านาทีก็ได้สิบนาทีจิตก็สงบ แต่พามาสงบแล้วมันจะนั่งมันยืนล้านั่งนั่งยาวไปเลยเพราะมันมีความสุขแต่ถ้านั่งแล้วมันต่อสู้กันจิตคู่สู้กับความคิดกันไปสู้กันไ ป, ไปสู้ไปมานั่งแล้วยังฟุ้งอยู่ยนี้นั่งไปนานเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ก็ถ้าอยากจะเพียรพยายามนั่งไปเรื่อยๆก็ได้แต่อยากให้เน้นคุณภาพมากกว่าให้เน้นปริมาณคือเวลาที่นั่ง ถ้าเราได้คุณภาพดีแล้วเวลามันจะมากขึ้นไปเองพอจิตสงบแล้วมันก็จะไม่อยากจะลุกไม่องอยู่นั่งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตไม่สงบเนี่ยแหมมันอยากจะลุกแต่เรากําหนดเวลาแล้จะต้องนั่งต่อไปมันก็สู้กันไปสู้กันมาการที่นะทําให้การนั่งมีคุณภาพก็คือเราต้องมีสติมากเราต้องพยายามฝึกฝนสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน สติไปเหมือนเครื่องมา้าเครื่องมือที่เราจะมาใช้เช่นทํามข้าวเนี่ยเราก็ต้องมีหม้อมีอะไรไม่ใช่อยู่ดีเข้าครัวเรื่องยาวกับข้าวมาทําแล้วที่ไม่มีหม้อไม่มีทัพพีไม่มีอะไรทําไม่ได้เรางมีเครื่องมือก่อนเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนการสร้างสตินี้เราควรดําเนินตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะว่าการการปฏิบัติจิตแต่ละอย่างมัเข็นขอยาก มกมันต้องมีใช้เวลามากไม่สามารถทําในชีวิตประจําวันได้เพราะเรามีภารกิจอย่างอื่นต้อง้ำแล้วเราหาวันเวลาว่าที่เราไม่ต้องทำภารกิจแล้วไปเปิดวิวเวงอย่างคนเดียวเป็นการสติสลับโองการนั่งสมาธิถ้าทําอย่างเนี้ยโอกาสที่จะนั่งสมาธิและจิตสงบอย่านี้นก็จะมีง่ายขึ้นมากเป็นส่วนเวลาที่ไม่ต้องกังวลถ้ามันสงบมันก็จะนั่งได้นานเอง ถามันไม่สบาย ม, มก็จะนั่งได้เลยกว่าจะทนนั่งไม่ไหวคุณตะวันครับยุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไม่ทราบว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านใช้คําบริกรรมหรือไม่ครับ่านสดิ ป, ประฐานท่านให้ใช้น่างกายให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกิริยาบุตของการเคลื่อนไหวเรื่งตุกการกระทำของร่างกายให้ใจเฝ้าดู อยู่กับร่างกายตลอดไปลนะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอะไรที่กำลังอาบน้ำก็ให้อยู่การอาบน้ํากําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่การรับประทานอาหารแล้วอย่าถึงขั้นตั้งแต่ตัดข้าวจากจานเข้าปากเคี้ยวเกินนี้ต้องอยู่กัมันในทุกขั้นตอนเลยรายละเอยียดแล้วถ้ามีการเดินไปเดินมาก็ดูที่เท้าว่าเราลองเดินไปเดินมา ถ้าเหันหน้าไปทางซ้ายเราก็ต้องรู้ว่าเราหันหน้าไปทางซ้ายาหันหน้าไปทางขวาเรากต้องรู้ว่าหันหน้าไปทางขวาให้รู้ทุกเรียนบ่ของการ ก, กระทําของง่างกายไม่ให้ไปที่อถ้าทํานี้ได้เวลานั่งสมาธิก็จะผูกใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าอได้ท่านสองวิธีเวลาที่ไม่ได้นั่งให้ดูร่างกายข้็ดูร่างกายพอเวลานั่งก็เปลี่ยนจากการเฝ้าดูร่างกายมาดูลมหายใจเข้า ไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรนะท่านสอนอย่างนี้อาจารย์ครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็นั่งอ่านสติปัฏฐานสูตรนะครับก็ตอนที่ท่อนที่บอกว่าเห็นกายในกายภายในบ้างกายในกายภายนอกบ้างคือกายภายในกายายยภเนี่ยพอเข้าใจครับอาจารย์แต่กายในกายภายนอกนี่คืออะไระครับอาจารย์ครับก็ร่างกายเรามีภายนอกกับภายในภายนอกก็มีผมขนและฟันหนาม ภายในก็มีอาการสาหัสมาอาการตั้งแต่เนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปก็มีอาการภายในไื่จำมองตัวเราแล้วมองคนอื่นก็ได้กายของเราก็กายในกายของคนอื่นก็กายนอกเรียบ oh. ที่ว่าเหมือนกันกาย oh. ของเรากับกายของเขาเหมือนกันทุกคนมันจะได้ไม่หรอกคิดว่าเราเป็นคนคนเดียคนอื่นคนอื่นเก็เไม่ได้เป็นเหมือนเราครับ oh. พิจารณาทั้งกายของเราและพิจารณาทั้งกายของคนอื่น oh. ตอนบทกายนี้ก็อย่างที่พระอาจารย์สอนก็คือเคลื่อนไหวร่างกายก็มีดูอวัยวะก็มีดูศพก็มีอันนี้ก็คืออยู่ในกายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่มันอยู่ขั้นเป็นแบ่งเป็นขั้นตอนอย่างขั้นตอนแรกเราฝึกสติแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเดียวไม่ให้คิดปูแตะให้ดูให้ดูเฉยๆถูก ใ, ใจไว้แล้วพอนั่งสมาธิเราก็ดูลมว่านั่งดูลมแล้วจิตรวมเป็นสมาธิแนชายขึ้นมาแล้ว ทนใจจะมีกําลังที่จะมาทำขั้นต่อไปก็ขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็มาศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไรมีตัวตนไหมสวยงามไหมจรีรำขาววอนไหมอย่างนสาระการที่เราต้องศึกษาเที่ยไมไม่เทียมไม่เที่ยมใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายสวยงามไหมภายนอกก็พอดูได้แต่พอเข้าไปบองว่างไงอไวัยวะต่างๆก็ ก็เห็นว่าไม่สวยงามเลยแล้วก็มีตัวตนไหมหรือเป็นเพียงดินน้ําลมไฟก็พิจารณาเดื่อการเกิดขึ้นของร่างกายมาจากอะไรแล้วเวลาตายไปมันกลับขึ้นไปสู่อะไรมันก็กลับมาจากธาตุสีดินน้ําลมไฟเวลาตายมันก็กลับไปสู่ดินน้าลมไฟยากอันนี้เป็นขั้นปัญญาก่อนจะไปถึงขั้นปัญญาได้ต้องอยู่ที่ สติก่อยขั้นหน้าคือสติสร้างสติขึ้นมาเครื่มือที่จะมาใช้กับการนั่งสมาธิง่ายใจสงบถ้าไม่มีสตินั่ส <promotions> งสมาธิดสสูรงก็ดูไม่ได้ใจมันก็ฟุ้งคิดถึงคนนั่งคิดถึงคนนี้นั่งนั่งนั่งไปก็ไม่สงบแต่ถ้ามีสติควบคุมใจให้อยู่กับนั่งกายหน้าพวมานั่งสมาธิก็ควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจนะไม่โดยที่ไม่ให้คิดอะไรพอไม่คิดอะไรอยู่กับลมไปทักพักจิตก็จะรวมเป็นสมาธิขึ้น เรามีสมาธิแล้วใจก็มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ขั้นต่อไปก็ไปศึกษาวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไปยึดติดกับร่างกายไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเที่ยมหรออยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆแต่ความจริงมันเป็นของไม่เที่ยมมันเกิดแก่แกเจ็บตายเราก็ต้องมาหยุดความอยากที่อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์เวลาที่ร่างกายจะตายแล้วอยากให้มันไม่ตาย แต่ถ้าหยุดความอยากไม่ตายได้ปล่อยให้มันตายได้ใจเราก็จะไม่ถูกกับความตายครับอันนี้ขั้นปัญญาแบ่งเป็นสามขั้นตอนด้วยกันใ น, นการปฏิบัติรพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์ท่องเป็นภาษาอังกฤษนี้ก็คือก็คือเป็นเรื่องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์เรื่องคำแปลเหมือนกับภาษาไทยที่เราให้พิมพ์หนังสือสติปัฏทานมัน เป็นภาษาไทยแต่ไม่ให้ใส่บาลีเข้าไปเพราะว่าคนมักจะคิดว่าถ้ามีบาลีจะต้องเป็นการเอามาสวดกันะอันนี้ไม่ใช่เป็นการสวดเราต้องการให้ศึกษาไมื่เหมือนเป็นมาธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าในสมัยพุทธการท่านใช้ภาษาบาลีเราก็เลยเอาบาลีมาใส่มีพอเป็นบาลีแเราก็แค่เป็นบทสวดลงไปทันทีเราไม่ได้คิดว่าเป็ น, ปนการศึกษาวิชาความรู้ ก็เลยให้พิมพ์แต่ภาษาไทยไม่ให้สายบาลีเข้าไปให้อ่านมันก็อ่านหนังสือธรรมเทศนาขอ ง, ง, งครูบาอาจารย์ครับเบญจางครับพระสูตธิครัเบนจางครับคุณสมศรีครับกรารนำัิการพระอาจารย์ครับในเฟซมีคนมาขอรับบริจาคเงินแนละสิ่งของแล้วลงภาพบอกว่าแม่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลอะไรต่างๆแล้วก็มีคนโอนเงินเข้าบัญชีให้ ตัวดิฉ ja. ันเองก็กําลังจะโอนให้แต Muslim, mm ่ hmm. พอดีล uh ูกสาวไปเช็คข้อมูลจากไหนสักแห่งบอกว่าช응ื่อนี้บัชีนี้เป็นมิจฉาชีพลูกสาวบอกว่าจะโพสตให้คนที่มาบริจาครู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ดิฉันห้ามไว้แบบนี้ดิฉันทําถูกไหมครับก็แล้วแต่เรามุมมองของเราเราต้องการอะไรถ้าต้องการบอกให้คนรู้ว่าคนนี้เขาเป็นมิจฉาชีพก็โพสต์ไปได้แต่เราอาจจะสร้างเงินทุนกลับกับคนที่เราไปโพสต์ ก็จะเกลียดชังเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะมีเรื่องกับใครเราก็เฉยๆไปไปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์ไปใครโง่ถูกหรอกก็เรื่องของเขาไปอันนี้ก็เราก็เลิกได้เราอยา ก, เร า, ยากเราอยากจะทําแบบไห น, นทำทุกความเมตตาก็โพสไปถ้าทำได้อเวคาก็เฉยๆไปไปล่อยให้เป็นกรรมของสัตว์ไปการกินเจอย่างไรให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาครับ ไม่มีเลยในศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้กินเจเลยแม้แต่นิดเดียวครูบาอาจารย์ท่านทักพูดเลยว่าถ้ากินเจมันทําให้ความวิเศษในครัวควายมันวิเศษนานนั่นแหะคนระับวควายมันกินเจทั้งวันมันมกินผักกินหญ้านะคุณเที่ยวไปเรื่อยครับการรักลูกรักภรรยาคือการเสพรูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมครับใช่เมื่อลูกเขาเสียงเ้ากลิ่นเัาเนื้อ คุอุ๋ยครับบอกว่าทุกทั้งกายทุกทั้งใจเหนื่อยแสนสาหาัสมีความคิดว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ทําทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ไม่ไหวครับอาจารย์คือทุกทางกายเราบางทีดับมันไม่ได้แต่ทุกทางใจเราดับมันได้ถ้าเราดับความทุกข์ทางใจได้เราก็จะมีความสุขทําการความทุกข์ของทางกายแล้วก็จะอยู่กับความทุกข์ของทางกายได้โดยที่ไม่คิดอยากจะอยากจะตาย พยายามดับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากของใจอยากให้ความทุกข์ทางกายหายไปพอความทุกข์ทางกายไม่หายก็เลยอยากจะมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ทนไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะเป็นความทุกข์ทางกายแต่เป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางกายหายไปพอไม่หายก็เลยเกิดความาทกุกข์ทางใจที่แสนทรมาน How. จึงคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายบ้างแล้วไม่อยากจะอยู่บ้างแต่ถ้าเราเข้าใจหลักว่าร่างกายนี้ทุกทางร่างกายนี้เป็นอ น, นิจจังเป็นนัตตาเราควบคุมบังับมันไม่ได้เหมือนที่คุณหมอบอกนะเป็นลมฟ้าอากาศยอมรับแล้วว่าให้เป็นลมฟ้าอากาศแล้วหยุดความอยากเราได้มีความอยากให้ความทุกทางกา ย, ยากให้ยไปได้ความทุกข์ทางใจก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นใจก็จะสงบอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบาย เห็นตอนนี้มาพยายามหยุดความทุกข์ทางใจด้วยการยอมรับความทุกข์ทางกายมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนดินฟ้ากับฝจะตกแดดแล้วกเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรายอมรับมันนตกก็ไมันตกไปแล้ว่าเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราอยากให้มันหยุดนี่เราจะเดือดร้อนขึ้นมาถามันไม่หยุดนั่งแล้วสงบนิ่งว่าง แล้วจะต้องทํำยังไงต่อครับก็ให้มันนานๆานแต่ความจริงยังไม่นิ่งยังไม่สงบแท้ถ้าสงบแท้มันจะมีความสุขมากยังขาดตัวนี้อยู่ต้องนั่งให้มันถึงจุดที่มันรู้สึกมหจชั่นใจโอ้ความสุขแบบนี้ไม่เคยเพไม่เคยเข้าเคยเห็นในโลกนี้มาก่อนเลยมันมีอยู่ในตัวเรานี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ไกายถ้าเจอความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่อยากจะทำอะไรอยากจะให้มันสงบให้มันสุขแบบนี้ไปนานๆ ถ้าต้องออกมาจากสมาธิก็อยากจะกลับเข้าไปใหม่อยู่เรื่อยไม่มีอะไรน่าดึงดูดใจถ้าเราความสุขที่เกิดจากความสงบคุณเจ้าแบบสุขอะไที่เหนือนความสงบไม่มีคุณหนุ่มน้อยครับผมจะสอนดนตรีไทยให้ฟรีให้นักเรียนเฉพาะคนจนเผื่อให้เขาจะได้มีความรู้ครับเพราะไม่มีตังสงสารจะได้กุศลผลบุญไหมครับ เขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานให้ความรู้กับผู้เพื่อที่เขาจะได้นำเอาไปใช้ประกอบอาชีพมีรายได้เช่นบางคนก็รู้จักวิธีทำหลอกข้าวมาสอนคนให้เขาทำหลอกข้าวบางคนรู้จักวิธีตัดตัดเย็บเสื้อผ้าก็สอนวิธีตัดเย็บเสื้อผ้าบางคนรู้จักวิธีทำผมตัดผมก็สอนตามความรู้ความสามารถของตนเหล่านี้เราเรียกว่าวิทยาทานเป็นเหมือนกับวัตถุทานวัตถทานแล้วก็ให้เข้าวของเงินทอง แต่ถ้าเราไม่มีวัดเาไม่มีเข้าของเงินทองแต่เรามีวิชาความรู้แล้วก็ให้วิชาความรู้เขาให้เขาไปต่อยอดได้หลังการปฏิบัติสมาธิแล้วสามารถกรวดน้ําแผ่ส่วนบุญทุกครั้งถูกต้องหรือไม่ครับไม่ถูกต้องไม่เคยสอนให้แผ่อุทิศบุญกุศลด้วยการนั่งสมาธิถ้าอยากจะแผ่อุทิศบุญกุศลไม่ให้ให ให้ทําด้วยการทําบุญทำทานโดยจะเงินทองข้าวของให้กับผู้ไปแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่การ น, นั่งสมาธินี้ยังไม่ได้ผลส่วนใหญ่จะนั่งแล้วจิตยังไม่สงบไม่มีขลจะจะจะแผ่หรือจะา อ, อุทิศไปพระเจ้ายังไม่ได้สอนให้ อ, อุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมทรงสอนให้ อ, อุทิศบุญด้วยการทํำบุญทําทาน นั่งสมาธิจิตทิ้งคํบริาการการที่จะไปถึงฌานสี่อัญาต้องทําอย่างไรครับพระอาจารย์คุณหมเซงไม่ได้ขัดขันอะไรไปเลยด้วยนั้บอกว่านั่งสมาธิจนจิตทิ้งคําบริกรรมไปอัตโนมัติการที่จะไปถึงฌานสี่คือการเจริญปัญญาต้องทําอย่างไรครับขอคําแนะนำพระอาจารย์รไม่ใช่ฌานสีไม่ใช่ปัญญาฌานสี่ก็ยังเป็นผลที่เกิดจากการ นํางทำสมาที่อยู่การทิ้งบริกรรมไปนี้เป็นแสดงว่าไม่ถูกนะต้องรักษาคาบริกรรมไปจนกว่าจิตมันจะรวมแล้วมันจะหยุดไปเองถ้าจิตยังไม่รวมยังเข้ายังเข้าชาจไม่ได้ไม่ควรนะบริกรรมต่อไปถ้าหยุดบ้างมันก็จะเข้าชาจไม่ได้คุณเฟื่องครับ ก่อนเราจะขาดใจตายเราจะทรมานแค่ไหนเราต้องทําอย่างไรถ้าถึงเวลานั้นหรือต้องเข้าฌานอย่างเดียวถึงจะไม่ทรมานครับมันอยู่ที่ความอยากของแต่ละคนว่ามันมีมากมีน้อยความอยากไม่ตายนี่มันถ้ามีมากก็ทรมานมากมีน้อยก็ทรมานน้อยไม่มีก็ไม่ทรมานเลยเช่นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่ตายเลยเว่าท่านเห็นด้วยปัญญ า, ามาเป็นทุกข์ตายยอมรับความจริงอันนี้ได้ จะไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเราะกว่าถ้ามีความอยากไม่ตายแล้วมันจะทรมารอันนี้คือเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของการเข้าสมาธิแต่การที่ใช้ปัญญาได้ก็ต้องต้องมีกําลังของสมาธิมาสนับสนุนให้หยุดความอยากไม่ตายให้ได้แตถ้าเราใช้ปัญญาไม่เป็นก็อาศัยการเข้าสมาธิไปก่อนก็ได้แต่ไม่แก้ไม่ได้แก้ปนะัญหาอย่างมิถาวอ มันเพียงแต่ระรับระงับนึบ่นงรับการกระชิญปัญหาไว้ชั่วคราวพอจิตเข้าสมาธิไปจิตสงบความอยากไม่ตายก็หายไปแต่มันไม่มันไม่ตายมันเพียงถูกกดเอาไว้ด้วยกําลังของสมาธิอย่าไปเกิดชาติหน้ามันก็จะมีความอยากไม่ตายมันโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญานี้มันจะไม่โผล่เลถ้ายอยากตายก็รู้ว่าร่างกายต้องตายเป็นอนิจจทุกขังนั่นตาย ไอกระชางหน้ามันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่ต้องมาทำโจรอันนี้ต่อไปเพราะมันผ่านนะคุณภูท์ครับบอกว่าขอวิธีการสร้างสติจากพระอาจารย์ครับกอเนี่ยพระเา้าส่งสอนให้เรามีสติเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนแบบเมืราตขึ้นมาก็ตรวจสราเลยตอนนี้ร่างกายอยู่ในระยาบวไหนกำลังอยู่ในท่า น, นอน พอมันจะรู้ขึ้นมานั่นด้วให้รู้ว่าต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวจากท่านท่านนอนขึ้นมาเป็นท่านั่งอยากท่านั่งขึ้นมาเป็นท่ายืนอยู่ท่ายืนเป็นท่าเดินต้องเฝ้าผูกใจให้อยู่กับการเคลื่อนไวหวของร่างกายเหมือนกับเฝ้าเฝ้านักโทษเนี่ยเราเป็นยาใจเป็นเหมือนเป็นยาต้องนักโทษนี่ต้องมาให้มันทิ้งสายตาห่างไกลจากนักโทษเผลอไม่ได้เลยถ้ารไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าเผลอแล้วต้องให้อยู่ติดกับร่างกายเพียงอย่างเดียว อ ย, อย่างการจะทำแบบนี้นะต้องไม่มีภาระราการงานต่างๆเป็นเหมือนนักบวชเนี่ยนักบวชมีงานอย่างเดียวก็คือเจริญสติผูก ส, กสติให้อยู่กับรา่างกายไปทั้งวันให้ได้แล้วเวลาเรอนั่งสมาธิก็มาเอาสติผู ก, อ, กอยู่กับลมหายใจเขาออแทถ้าทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวจิตก็เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ฌานได้ ท้ายสุดแล้วจิตทุกดวงเป็นดวงจิตพุทธะไหมครับไม่เกี่ยวหรอกมันจะเป็นพุทธะก็ต้องชำระใจใสะอาดโดยส่วนนึ่เป็นพุทธเจ้าเป็นมาก็ต้องเนี้ยก็ต้องกาจัด ก, กิเลสทนหาให้หมดขึ้นไปจากใจคุณนัดวไาลาพันธ์ครับเทศกาลกินเจสัตว์จำนวนมากมีชีวิตยืนยาวไปอีกสิบวันในช่วงนี้สัตว์บางตัวตายตามอายุไขาบางตัวได้อยู่กับครอบครัวนานขึ้น คนกินเจถือว่าได้สนับสนุนสี่ห้าข้อหนึ่งไม่มากก็น้อยถือเป็นการทําทานหรือเปล่าครับไม่แน่นะคนที่กินจะ้่าก็ข้าเขาก็อยู่ดีไม่ได้อยู่ที่เรากินเจแล้วไม่กินเจถ้ามันเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะต้องทำเขาเขาก็ทำํำไม่ใช่คนทุกคนจะมาอยู่มากินเจกันทุกคนะเราไปดูสถิติของคนที่กินเจกับคนที่ไม่กินเจม า, จากน้อยต่างกันยังไง อาจจะว่าเป็นการช่วยก็อาจจะว่าได้แต่มันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาระยะยาวอย่างไรวิธีจะแก้ปัญหาระยะยาวให้คนมาถือศีลดีกว่าถือศีน้าก็จะไม่มีการฆ่าเลยทางศาสนาถึงนีง้เรื่องการรักษาศีน่ากับการกินเจ ค, คุณดิวครับพระอาจารย์ครับการให้ธรรมะเป็นทาน ดีที่สุดเราอยากพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเราควรจะพิมพ์เรื่องใดที่จะเหมาะสมและสามารถเอาไปปฏิบัติได้ครับก็แล้วแต่เราชอบเรื่องไหนที่เราได้อ่านได้ศึกษาเราเห็นว่ามีคุณประโยชน์กับเราเราอยากจะเผ ย, ยแพร่หนังสือแบบนี้แล้วก็เอาเอาไปพิมพ์เผยแพถ้าถ้าถ้าจะของก็ไม่ไม่ต้องสมหวนนังไม่กระเสิฐไม่ไงถ้าถ้าก็สมหวังก็ต้อไปขออนุญาตเจ้าของก่อนถึงจะพิมพ์ได้ คุณมัมครับนั่งสมาธิแล้วรู้สติไม่ฟุง้งตัวโยกคือปิติหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยไม่ใช่ตัวโยกนีแสดงสติไม่ค่อยมีนัถ้ามีสติมันต้องนิ่งร่างกายแล้วนิ่งเฉยคุณข้าฟ่างครับเมื่อเกิดความคิดขึ้นเราสามารถเตือนใจว่านี่คือสังขารสังขารไม่ใช่เราได้ไหมครับเพื่อให้ใจไม่ไหลไปกับความคิดครับ แล้มันก็เราคิดแล้วเนี่ยพอเราเตือนว่ามันเป็นสังขารที่เราเป็ความคิดอีกอันนะอย่าไปสนใจไม่ต้องไปเตือนกลับมาที่พุโทโธกลับมาที่นมเลยดีกว่าวิธีทดียวหยุดความคิดไม่ใช่ไปคิดตามมันไม่คิดพิจารณาตามมันอย่างนี้ยเ๋วมันก็มีเรื่องให้คิดต่อยอย่าไปคิดเลยพอรู้ว่าคิดปัป๊บก็บกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธแล้วอยู่ที่รมหายใจเลยดีกว่าง่ายกว่าแล้วเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกทาง ถ้าไปคิดว่าเป็นสำคัญ<ม>แล้วเดี๋ยวก็บอกว่าสัญญาเป็นยังไงอาจาจะมีคําถามตามไปจ ม, มีเรื่องให้คิดต่ออีกคุณลําดวนครับบอกว่าพ่อกับแม่เสียไปเมื่อปีที่แล้วครับถ้าจะทําบุญอุทิศบุญให้จะถึงท่านได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่าท่านอยู่ในสถานะะที่รอรับบุญนี้หรือเปล่าถ้าท่านไม่อยู่ในสถานนะที่จะรอรับบุญง่ายก็ท่านก็ไม่ได้รับบุญ ถ้าจะมีบุญเก่าวพาไปแล้วก็ได้บุญที่ท่านเคยทํามาพาให้ท่านไปสู่สุคติก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งบุญไปให้กับท่านแต่ถ้าท่านทาบาปมากกว่ บ, บุญท่านก็ไปอยู่ในอาบายก็ช่วยท่านไม่ได้อยู่ดีต้องรอให้ท่านอาอกจากอบายมากกว่าคุญแจกันครับมีความทุกข์มากครับคือนั่งสมาธิทีไรคิดไปเรื่อยเปื่อยทุกข์เพราะความอยากสงบครับ ไม่ยอมไม่อยากเสียน่าให้ให้มีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นเ่งมันจะสงบไม่สงบอย่าไปสนใจทำนั้นไม่รู้ไม่ชี้ไปว่ามันจะสงบหรือไม่อย่างไรให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับลมหายใจเขาออ้ามีอยู่กับการบริกรรมรุ่ดโทรุ่ดโทไปคุณนางครับพ่อไม่เคารพพระสงฆ์แต่บูชาพระพุทธเจ้าแบบนี้ผู้เป็นลูกจะแนะนำท่านอย่างไรดีครับ ไม่ต้องมาแนะนาท่านเ ร, เราไม่มีหน้าที่จะไปสอนพ่อสอนแม่นอกจากท่านมาปรึกษากับเราค่อยว่ากันท่านอาจไม่มีเหตุของท่านท่านอาจจะไม่ไว้ใจพระสงฆ์ก็ได้พระพระสงฆ์นี่มีทั้งเปนพระสงฆ์ที่เป็นพระอาริยะพระสงฆ์ที่เป็นปุุชนคนที่ท่านอยากแยะไม่ได้แล้วนั่นเห็นข่าวข่าวเกี่ววยวกับเรื่องพระสงฆ์ที่ทําให้ท่านไม่มีศรัทธาก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเสร็จของท่านที่ท่านจะเลือกศรัทธาก็ได้ คุณโกโค้ครับทำสมาธิหายเจ็บหรือลดเจ็บได้ไหมครับถ้าเจ็บทางใจนำ้นำได้หมดเลยความทุกข์ทางใจในคามทุกข์ทางร่างกายากา็ต้องเจ็บไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคุณกิฟครับได้ยินประโยคประโยคหนึ่ ง, ง, งบอกว่าพาจิตกลับบ้านความหมายเดียวกับคำว่าให้มีสติรู้ตัวอยู่บ่อยๆแบบที่พระอาจารย์สอนอย่างนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับ อันนี้ก็ไม่ทราบความหมายของผู้พูดนะบางทีเวลาคนตายตายด้วยอุบัติเหตุเขาก็มีมรนพผลให้พาดงงยงวิญญาต ก, กลับมาอั่าน่งไม่ทราบความหมายว่ามันจะมีความหมายอย่างอื่นหรือเปล่าคุณ w วด d ิ n g ก i f t ครับในบทสวดธาตุของท่านพ่อลีมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญ ญ, ญาณ ตัววิญญาณตัวสุดท้ายกับธาตุรู้ใช่ตัวเดียวกันไหมครับและเป็นตัวที่นําพาเราไปจุติในภพต่า ง, างๆใช่ไหมครับใช่ธาตุร้าตุวิญญาณาต ท, ที่เราเรียกว่าเดิวิญญาณเวลาเวลาร่างก า, ายกายไปจิตก็เปลี่ยนชื่อเป็นดววิญญาณไปจิตกับคุณธาตุววิญญาณตัวเดียวกันคุณย่าครับ คิดอยากจะให้ลูกหลานแบ่งปันเพื่อนบ้านไม่อยากได้อะไรเพื่อตนเองแล้วแบบนี้เป็นตัญหาหรือไม่ครับเป็นตัญหาที่ดีการเสียสละแบบนนี้เป็นความอยากที่ดีมันําไปสู่ความสุขไม่ใช่นําไปสู่ความทุกข์คุณเล็กครับคุณแม่ติดพานันไม่เลิกรู้สึกทุกข์และเป็นห่วงแม่มาก ขอเงินใช้หนี้พนันถ้าเราไม่ให้เขาเครียดจนป่วยอย่างนี้เราต้องทําเราจะบาปไหมครับก็มีวิธีที่เราจะามาว่าช่วยให้ท่านไม่ไม่ทําไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ให้ติดคือถ้าตอนนี้ท่านติดนี่เราต้องช่วยก็บอกว่าจะช่วยเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว น, นะะครั้งต่อไปจะไม่ช่วยแล้วนั้นเพราะไม่เพราะว่าช่วยเท่ไหรก็ไม่มีวันจบนอย่างนี้ ถ้าแม้อยากจะไปมนนี้ก็นายก็ต้องจ่ายเองนะอย่างนี้เราก็ทำได้ทางนี้ถ้าอาจะเห็นว่ามา่อต่อไปถ้าเป็นนี้หนี่ก็เป็นนี้ก็จะมาขอยืมแล้วขอจ่ายเราไม่ได้ถ้าก็อาจะไม่เล่นก็นได้คุณซูชิครับวันนี้ไปพบแพทย์คุณหมอสรุปว่าเป็นโรคซึมเศร้าและให้ยา ม, มาทาน กราบเรียนถามว่าในส่วนของการรักษาทางใจด้วยธรรมะข้อไหนได้บ้างครับทางใจก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วควาสิ้นส ร, ร้าก็จใหาไปคุณอัจฉริยะครับเป็นเน็บชาควรอดท่าอดทนนั่งสมาธิต่อไม่ควรเปลี่ยนท่าเพื่อดูเวทนาใช่ไหมครับ ก็นั่งสมาตินี่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็อยากไปสนใจให้อยู่กับกบรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องปลกใจให้เข้าสูค่ความสงบถ้าเราใช้คำเล่นคำพุโทโธแล้วก็บอพุโทโธพุโทโธไปร่างกายจะเป็นยังไงก็อย่าไปสนใจแล้วเดี๋ยวพอจิตสบงบแล้วจิตก็จะไม่กังวลไม่มีปัญหากับร่างกายปล่อยให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นได้อย่างสบายใจ การเลือกทําบุญกรถินแต่วัดที่เราศรัทธาส่วนวัดที่เราไม่ศรัทธาเราไม่ทําแบบนี้ได้บุญไหมครับได้เราทํามันไหนก็ได้นั้นได้บุญเท่านั้นนอนภาวนาพุโทโธได้ไหมครับส่วนใหญ่มันจะหลับแล้วนอนภาวนาพุโทโธจะไม่ได้สมาธิจะได้การหลับถ้ า, านอนไม่หลับในการใช้ดี ก, กินยานอนหลับ ควพอนะคุณโถวไปคุณเอกชัยครับจากคําที่หลวงปู่ดุลได้กล่าวไว้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยมีทุกข์เป็นผลจิตเห็นจิตเป็นมรรคมีนิโรธเป็นผลคําว่าจิตเห็นจิตเป็นมรรคหมายถึงอย่างไงครับคือมีจิตสองตัวหรือครับไม่จิตมองเห็นตัวเองจิตตัวเดียวเหมือนกับเราดูร่างกายของเราเนี่ยน่ามีร่างกายอันเดียว และเราสามารถส่องกระจกดูร่างกายของเราได้การภาวนาการมีสติก็จะทําให้เราเห็นจิตของเราเองได้เราก็ดูจิตของเราดูว่ามีกิเลสหรือว่าตอนนี้กําลังเลภอยู่หรือเปล่ากำลังโกรธยหรือเปล่ากําลังหลงอยู่หรือเ่านี่คือการดูจิตจิตเห็นจิตสัตว์แพทย์ที่ทําหน้าที่ทําหมันสัตว์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่นาคุณจินตนาครับลูกตั้งใจจะถือศีลแปดเพื่อให้เวลาจิตตภาวนามากขึ้นแต่ด้วยพารา ง, งานอาจถือได้ไม่ครบทุกข้อทุกวันโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเย็นถ้าถือเจ็ดข้อแต่วันหยุดถือครบแปดร่วมกับจลัสิและสมาธิทุกวันจะดีขึ้นไหมครับแน่นอนดีขึ้นถือได้มากเท่าไร ย, ยิ่งดีดีกวาไม่ถือเลย คุณแวรบรายครับดูลมหายใจวันละหนึ่งชั่วโมงที่เหลือระหว่างวันดูกายทำงานแต่ระหว่างวันจะเห็นสุกเกิดทุกเกิดดับบ่อยขึ้นและชัดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจควรกำหนดรู้หรือปล่อยกลับมาดูกายต่อครับถ้าเต้องการเจริญสิคนย่งอยู่กับกายเพียงอยงเดียวไปก่อนการเห็นสุกเกิดทุกเกิดนี่มันเป็นเรื่องของนิบัสนาซึ่งเห็นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้ า, าไม่มีสติอยุดมันะนั้อย่าอย่าเพื่อไปดูการเกิดดับเรื่อยทั้งสิ้นให้ดูแต่ร่างกายของเราไปเรื่อยๆผูกใจให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ไปคิดในการไปดูสุขเกิดทุกข์เกิดเนื่องก็เป็นการใช้ความคิดนะมอย่าไปคิดเรื่องเหล่นี้ให้มันดูร่างกาย อ, อย่างเดียวไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะได้เวลานั่งสมาธิใจจะได้เข้าสู่สมาธิไนดะ้ถ้ามีสมาธิแล้วต่อไปเราจะมีกําลัง ดูสิ่งเดียวตันสิ่งนี้นที่เป็นทุกข์เราก็ดับมันได้สิ่งนี้นที่เป็นสุขเราก็ปล่อยมันปล่อยให้มันสุขไปคุณลูกศิษย์พระพุทธเจ้าครับถ้าไม่มีโอกาสไปวัดเราสามารถทําบุญที่บ้านแทนได้ไหมครับเพราะว่ามีหนี้ศิษย์มากครับได้ทำบุญกับพ่อแม่ก็ได้นึกว่าถ้าให้พระเดินมาผ่านบ้านอยากจะใส่บายกับพระก็ได้ หรือถ้าไม่มีเงินทําบุญก็อยากใ่งทําบุญก็ได้รักษาสินไปภาวนาไปเลยก็ได้ไม่มีข้อบจำกับที่ทําบุญนี้เข้าไปแต่คนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ถ้ายังไม่มีเงินไม่พอจะทําบุญก็ไม่ต้องทําก็ได้ใช้หนี้ไปก่อนคุณธัญรัตน์บอกว่าการกินเจในเทศกาลถือสีลกินเจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่พึ่งทางใจได้หรือไม่ครับ ไม่ได้หรอกเาะมันไม่ได้ทำอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขเราไม่ได้ทําคุณวาชน์อะไรให้กับใครเราก็ยังกินเหมือนเดิมเพียงแต่เราเลือกกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นั่นเองไม่น่าจะได้เป็นที่พึงพอใจนะการกินเจนี้ไม่ได้เป็นการากระทำอะไรที่อยู่ในกรอบที่พระเจ้าทรงสอนถ้าอยากจะถ้าอยากจะมีความสุขก็ไปถ่ายวัวถ่ายควายเถอให้มัน ที่เขาจะเอาไปฆ่าเนี่ยหรือว่าไปเอาเอาปลาที่เขาไปจะไปฆ่าเนี่ยไปไปซื้อปลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยเอาไปปล่อ ย, ยอันนี้ถือว่าเป็นการทําบุญทำบุศส่วนการกินนี้มันไม่ไ ม, ไม่ได้ทําบุญทําบุศสนอะไรคุณนิพวันครับหากจะเริ่มทําสมาธิถ้าจะท่องเกสาโลมานะขาดันตาตโจโว ต้องคิดเกี่ยวกับเกสารโลมานะคะดันตาตะโจอย่างไรครับก็ทำเชื่อไปเรื่อยๆก่อนเป็นคำราการพุโทโธพุโทโธไป <c oughs> ให้มันเป็นอารมณ์ถูกใจไม่ให้มันคิดเรื่องราวต่างๆแต่ที่สุดก็ต้องกลับมาดูรวมเรืนึกกลับมาอยู่กับพุโทโธเป็งคําเดียวหรืออาการใดอาการหนึ่งของอาการฐานที่สองมาได้ถ้าเราท่องไปสักพักรู้สึกว่าใจเราเริ่มนิ่งแต่ยังไม่สงบเต็มที่แล้วก็เราก็ากากอามา ท้ออา ก, การเดียวก็ได้เกสรเกสรไปอย่างเดียวก็ได้คุณนัทพรครับเรื่องการฝึกทานอาหารมื้อเดียวว่าควรทานมื้อไหนทานอะไรและมีวิธีฝึกฝนตนเองอย่างไรบ้างให้จิตมุ่งมั่นให้สําเร็จโดยเฉพาะสาหรับคนที่มีกิเลสเรื่องการบริโภคครับคือขึ้นอยู่กับว่าเรากินมื้อเดียวเพื่ออะไรถ้ากินมื้อเดียวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมกินมื้อเช้าไปเล ย, ยได้ให้มันหมดปัญหาไปหลังจากนั้นถ้าง่วงก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารได้มีเวลามาจลางสตินั่งสมาธิได้อยา่างเต็มที่แต่ถ้าอยากจะอด อ, อาหารเพื่อเพื่อเหตุผลอย่างเลยเพื่ อ, อ จ, จะให้ลดน้ำหนักเลยแล้วก็เลือกเวลาของเราได้ยจงอดมื้อไหนก็ได้ ไม่ค่อยได้ใส่บาตรครับแต่จะร่วมทําบุญกับวัดต่างๆโดยร่วมบริจาคเงินแบบนี้ได้เหมือนกันไหมครับได้บริจาคบริจากให้โรอพยาบานก็ได้องค์กรการกุศลต่างๆนะไดเพื่อให้พ่อให้แม่ก็ได้คุณทิติมาครับการใส่บาตรทุกเช้าเดิมเคยใส่ทุกวันแต่ปัจจุบันโอกาสไม่เอื้ออำนวยไม่สามารถทำได้ทำให้จิตรู้สึกไม่สบายใจ จะวางใจอย่างไรครับแต่ทุกวันพระจะไปวัดไม่เคยขาดสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิทุกวันเพียงแต่ละวันไม่ได้ทาทานกับความเมตตาพระอาจารย์ครับเราทาทานได้ทุกวันโดยเอาเงินที่เราจะไปซื้อของมาใส่บ้านนี้ใส่กระปุกเอาไว้แล้วพอถึงวันพระเวลาเราไปวัดเราก็เองินนี้ไปถวายวัดหรือไปซื้ออาหารถวายในวันพระวันเดียวก็ได้ อันนี้แล้วก็ถือว่าเราได้ทำบุญทุกวันคุณสุชิครับขอเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความว่างเปล่าไร้ตัวตนแต่จิตยังอยู่ผิดไหมครับก็ไม่ผิดหรอกก็เป้าหมายกืเกิดต้องการให้ไม่มีความคิดให้ใจว่างเย็นสบายในความสุขคุณสุภาพครับ อยากถามพระอาจารย์ว่าพาแมวไปทําหมันเป็นบาปไหมครับไม่บาปไม่บาปคำถามคล้ายกันครับรอาจารย์ทําหมันสุนัขแมวนะครับ mm hmm. คุณศักดิ์ครับกาเรียนถามพระอาจารย์นะครับถ้าคนพาลใช้โปรไฟล์ในรูปเฟซประสงค์ใส่จีวรแล้วเที่ยวจีบสาวไปทั่ว จะบาปมากใหม่ที่ปลอมตัวทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียครับก็เป็นการหลอกลวงนะเป็นการโกหกหลอกลวงอย่างหนึ่งก็บาปคุณเบกกี้ครับหากเราถือศีลห้าเราโพสต์วิพากษ์วิจาร์เพื่อนบ้านด้วยความกโกรธเราจะเสียศีลข้อสี่ไหมครับเพราะอยากให้บ้านเมืองเราได้ดีครับ ก็คือในศิลปหั่นก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้วิพากษ์วิจารณิแต่ไม่ให้ไม่ให้พูดปดทันเนี่ยวิพ า, ากษ์วิจาร์ก็วิพากษ์วิจารด้วยความเป็นจริงไปคุณแสงเดือนครับหลานกําลังจะตายจากมะเร็งแม่พยายามปลุกกลัวลูกหลับแล้วตายไปจะปลอบใจหรือให้สติแม่เด็กอย่างไรดีครับเพราะเด็กทรมานที่ถูกปลุกครับ คือจะตายแบบเตือนแล้วจะตายแบบปลุกตายแบบนอนหลับมันก็ตายเหมือนกันนะมันก็ไปยื้อไว้ไม่ได้อยู่ดีปลุกขึ้นมาถึงถ้าถึงเวลาจะตายมันก็ตายนอนหลับถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันก็ยังไม่ตายมันไม่อยู่ที่ว่าเราเตือนแล้วหลับเวลาที่เราจะตายกันคุณวันดีครับทําบุญกับโรงพยาบาลกับทําบุญกับวัดได้บุญเท่ากันไหมครับ ถ้าปริมาณเงินเท่ากันก็เท่ากันเอาสุขใจใจเท่ากันแต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันธรรมะก็สนับสนุนเรื่องธรรมะเรื่องการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ทำหน้ า, นารโรงพยาบาลก็สนับสนุนการรักษาพยาบาลอันนี้ประโยชน์นี่จะตัดกันไป้วาตัดผู้รับ ว, ว่าเขาไม่ความสามารถที่จะไปทําประโยชน์อย่างไรคุณหญิงครับ ในการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับวิธีการที่ถูกต้องคือควรทําอย่างไรครับก็เลิกภายในใจพอทำบุญเสร็จใสบ่บาศเสร็จแล้วมีความรู้สึกเอ็นใจสุขใจแล้วก็พูดในใจว่าเขาทิศความสุขใจเห็นใจนี้ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ก็ว่าไปก็จบนะพี่ปู่เป้นะครับ มีปัญหาผ่าสมองสี่รอบช่วงสถานการณ์โควิดมีทุกทางกายมากกายปวดใจมาปวดร่วมทำให้เปิดตาปวดมากพอได้ของดีธรรมโอสดจากพระอาจารย์ความปวดน้อยลงลุยทำงานได้ต่อจนลืมว่ามีอุปกรณ์ระบายน้ำในสมองมเพราะไม่ค่อยรู้สึกกับกายมากครับคนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้เหราอย่างไงก็พอาจารย์ครับโฆษณาโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ครับ พี่ปูเป้เขาจะเขาเรื่อยครับอาจารย์ครับก็จะมาทัาใจน้องเด็กเขาได้ได้ธรรมโอรสไปปฏิบัติก็น่าสงสารน้าผ่าสมองต้กงสี่รอบครับไม่ใช่ของไม่ง่ายผมน่าจะได้เคยเจอพี่เขาตอนผมไปพูดที่โรงพยาบาลส่งครับอาจารย์ออนี่ ขอคำแนะนําพระอาจารย์วิธีรับมือกับอารมณ์และคาพูดที่รุนแรงที่มากระทบครับจะทําอย่างไรดีครับก็ทำปอดใจให้กว้างว่าในโลกนี้มันมีทั้งสรรเสริญ ม, มีทั้งเห็นทานเราไปห้ามมันไม่ได้อย่างที่คุณบอก ว, ว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศมีฝนตกมีแดดออกมีน้ําท่วมอะไรอย่างเงียเรื่านี้นปอดใจให้กว้างรล้รับกับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่ถุก คุณแมนครับธรรมชาติเป็นตัวเลือกกรรมให้เราหรือเราเลือกเองบางอย่างทําไมเลือกให้ตัวเองไม่ได้ครับคือกรรมนี้แปลว่าการกระทําเราเป็นผู้เลือกการกระทําของเราเราจะกินเล้าไม่กินเล้านี่ก็เป็นการเลือกของเราเราจะอพูดป่หรือไม่พูดป่มันก็เป็นเรื่องของเราเราเป็นผู้เลือกเองไม่ใช่เลือกกรรมของธรรมชาติอยู่ที่ตัวเราการทําบุญทํำบาปนี่อยู่ที่เราเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะเลือกทําอย่างไหร คุณสัตถิตาครับนั่งสมาธิเป็นประจำตลอดยี่สิบปีแต่ไม่มีวันไหนเลยที่นั่งแล้วจะไม่หลับทั้งๆ ท, ที่ตั้งใจว่าจะไม่หลับแต่พอนั่งไปสักพักก็จะหลับทุกครั้งเลยครับแก้อย่างไงครับนั่งแบบไม่มีสติหรือสติน้อยถ้าเราไม่พัฒนาสติก่อนนะก็จะนั่งแบบนี้ไปก็จะได้ผลแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเริ่มฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งต่อไปเราก็จะนั่งไม่หลนั่งน้อยจิต ก, ก็จะสั่นได้ มันอยู่ที่สติของเรามันยังมีไม่มากพอวันั่งไปจะพักเคลิ้มๆแล้วก็หลับไปแมวตายแล้วรู้สึกเศร้าใจครับเศร้าเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาตายเราต้อ ง, องบอกความจริงว่าเราห้ามไม่ได้ความตายแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปอยากให้เขาไม่ตายมันก็ไม่ได้ทําให้เขากลับฟื้คืนขึ้นมา เมื่อเราอยอมแลว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาคุณสุภาพพ์ครับไม่อยากไปวัดที่เคยไปเพราะพระท่านถามเรื่องอยากเป็นมะเร็งอยากเห็นผีไหมซึ่งตอบท่านแล้วไม่อยากเป็นมะเร็งและไม่เคยเห็นผีท่านก็ถามบ่อยโยมก็ไม่อยากไปอยากไปแล้วบาปไหมครับไม่บาปหรือนั่เรามันจะเลือกไปวัดไหนก็ได้ คุณไทเกอร์ครับการตัดอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นรีบดึงสติพุทโธให้เป็นอัตโนมัติพุทโธเป็นความคิดอัตโนมัติว่าพุทโธจะเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราจะฝากใจเท่านั้นเท่านี้พอไหมครับแล้วพุทโธง่ายๆทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็อยากให้ไปคุณสัชวดีครับ กราบขอความรู้จากพระอาจารย์ครับปัญญาเราจะก้าวหน้าได้ตัดกิเลสจากทางใดบ้างครับพอปัญญานี่ก็ตัดกิเลสเวลาที่เราเกิดกิเลสขึ้นมาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะตัดกิเลสได้วันกิเลสก็คือความโลภเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เพราะมไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวพอให้มันเป็นทุกข์เป็นของชั่วค ร, ราว เราไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดเราก็ตัดความโลกตัดความอยากง่าย ด, ด้วยปัญญาไม่ ว, ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้า เ, าเห็นเป็นตายรักเราก็จะตัดความอยากง่ายเห็นว่าเป็นทุกข์ขอการสอบถามพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิด้วยการรับลมหายใจหนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งถึงสิบจนสงบแล้วต้องทําอย่างไรต่อครับ ก็นั่งต่อไปถ้ามันสงบแบบมีความสุขถ้ายังไม่มีความสุขก็ยังถือว่ายังไม่ถึงจุดสงบที่แท้จริงคุณวีราศักดิ์ครับเคยนั่งสมาธิลมหายใจหายไปมีความสุขมากและมีความสว่างอาการแบบนี้เกิดจากอะไรครับก็จากความสงบ ก, ก็จากสติที่เรามีคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ความคิดกับใจนี้อันเดียวกันไหมครับหรือว่าแยกกันครับคือความคิดมันเป็ น, นการเป็นการทำงานของใจเป็นฟังก์ชันของใจหใจมีฟังชันอยู่สีอันด้วยกันคือใจคิดใจจำจาได้ไหมแล้ใจมใีความรู้สึกแล้วใจสามารถรับรู้เสียงเิียนั้นมาจาการ่างกายได้ จิตเกาะพุโทโธตอนเกิดเวทนานึกว่าเรากําลังจมน้ําแล้วห่วงยางเป็นพุโทโธที่ลอยมาแล้วเราเกาะห่วงยางพุโทโธเกาะห่วงยางไปเรื่อย ๆ, ยๆหลายๆห่วงยางที่ลอยผ่านมาครับใช่ทำนั่นทาให้ใจเราไม่ทุกข์กับถือว่าเฉะนั้นทําให้น้ำาจเราไม่จมน้ําถ้าเรามีห่วงยางไว้เกาะถ้ามีพุโทโธเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาที่เกิดขึ้น นั่งสมาธิโดยการสวดมนต์ในใจได้ไหมครับได้ในเบื้องต้นถ้าเรานั่งแล้วมันฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นนนอยู่ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ให้มันหาฟุ้งซ่านแล้วก็จิตหายฟุ้งซ่านแล้วก็ควรจะสลับมันดูรวมเรื่องมันอยู่กับพุโทโธถ้าอยากให้มันสงบมากกว่า น, นี้การสวดมนต์นี่จะช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านได้แต่ยังไม่สามารถทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ คุณพลอยมณีครับฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิต่อนเนื่องมาได้สิบเก้าวันมีความสงสัยว่าข้อที่หนึ่งครับจำเป็นต้องนั่งนานเป็นชั่วโมงไหมครับคือนั่งได้นานเท่าไหร่ก็ดียิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ต้องนั่งแบบให้มันมีคุณภาพด้วยคือนั่งให้มันสงบแต่ถ้ายังไม่สาบก็ต้องมาเข้าให้มันนั่งไปจน ก, กว่ามันจะ ส, จะสบข้อที่สองครับมีอาการปวดขาจะทาอย่างไรครับ อย่าไปสนใจให้เราอยู่กับการบริการพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเีวอาการปวดท้ามันจะไม่มารบกวนใจเพราะใจไม่ไปนสนใจกับอาการปวดใจอยู่กับพุโทโธพุทธโธไปเรื่อยๆคุณเกรฟครับบอกว่าหลังจากนั่งสมาธิแล้วต้องกลวดน้ําลงดินไหมครับอันนี้เป็นพิธีกรรมการกวดน้ําที่แท้จริงอยู่ที่ใจ ระลึกภายใจก็ถือว่าสําเร็จแล้วแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องของการระลึกภัยในใจก็อาศายน้ํามาเป็นตัวอย่างว่าน้ํานี้เป็นเหมือนบุญที่เราได้ทําอยู่ในใจเราเราเทจากใจเราออกไปสู่ดินส่งไปให้ผู้ที่รอรับอยู่ในดินต่อไปการทํางานของจิตและใจต่างกันไหมครับ จิตกับใจเป็นตัวเดียวกันการทํางานก็มีความคิดความรู้สึกความจําได้ไหมายรู้เรื่องการรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายอ น, นี้เป็นการทํางานของของจิตและของใจพระอาจารย์ครับบทสวดธาตุที่พระอาจารย์ในบทสวดธาตุดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณไม่มีเกิดมีดับใช่ไหมครับ คือธาตุเหล่านี้มันก็มีการประสมปรุงแต่งเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ, ๆขึ้นมาเ ป, นเป็นต้นไม้บ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างนมันก็มาจากการประสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสีนี้เหมือนกับเราทํากับข้าวเนี่ยแล้วก็เอาผักเอาเนื้อเอาอะไรมาประสมกัน แ, แล้วมาม า, ม า, ม, า, ม, ามาต้มบ้างมามาเผาบ้างมาย่างบ้างมาผัดบ้างแล้วก็เกิดอาหารชนิดต่างๆขึ้นมา ดินน้ำโลภไปนี่ก็เป็นหมายกับเป็นเป็นอะไรเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นส่วนประกอบของสิ่งต่ตางๆที่มีอยเ่ในโลกนี้ทามาจากธาตุสี่หรือธาตุใดท่าตหนึ่หรือสองธาตุก็ได้แล้วแต่สองหรือสามธาตุหรือสี่ธาตุก็ได้แต่มันเป็นธาตุมันมาจากธาตุแล้วเนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมต่อไปคุณวีว่าครับ ถ้าพ่อแม่ป่วยหนักใส่เครื่องช่วยหายใจคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจหรือไม่ถอดในขณะที่พ่อแม่ไม่รู้สึกตัวถ้าเราตัดสินใจถอดเท่ากับเราฆ่าพ่อแม่ไหมครับไม่หรอกเราเป็นการยุติการรักษาเท่านั้นคุณปรางนะครับเข้าสมาธิแล้วตั้งภาวนา ด้วยคําว่าพุโทโธและในระหว่างที่นั่งอยู่นั้นได้รู้สึกถึงการเต้นของชีพจรบริเวณศรีศรษะโดยบังเอิญรู้สึกเต้นตุบๆอย่างชัดเจนจากนั้นจิตจึงเปลี่ยนคำภาวนาโดยอัตโนมัติเป็นชีพจรเต้นหนออยู่ครู่หนึ่งจนกระทั่งอาการนั้นค่อยๆสงบลงและกลับมาภาวนาพุโทโธปกติจนจิตนิ่งขอกราบเียนถามพระอาจารย์ว่าอาการเช่นนี้ถือเป็นสภาวะปกติของการรู้เวทนาทางกายที่ควรหรือไม่ควรให้จิตตามรู้ในขณะนั้นครับ ไม่ควรตามแล้วควรจะอยู่พุโทโธไปเรื่อย ๆ, ๆยินดีกว่าจะเกิดขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะจะทำให้เราเสียสมาธิเราไม่สามารถเข้าสมาธิได้คุณสุดท้ารักครับเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยชอบทาบุญใจร้อนอยากให้เข้าวัดทาบุญฟังธรรมจะมีวิธีโน้มน้าวจิตใจได้แบบไหนได้บ้างครับต้องพาเข้ า, ขาตั้งแต่เด็ก ม, มีพ่อแม่ที่พาเด็กมาใส่บาตรอยู่เป็นประจาทำไปเรื่อยๆมันก็นจะติดเป็นนิสัยพอเขาโตเขาก็จะทำต่อเขาเองแต่ถ้าเราไม่สอนเ้าไม่พาเขาทำเขาก็จะไม่ทำเขาก็ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเขาได้ทำแล้วก็จะเป็นสัมผัสกับความสุขที่ได้จากการให้ก็อย่าทำให้มมเขาติดใจ องพระพุทธรูปมีหลากหลายมากไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกกราบว่าอย่างไรดีครับก็เรื่อว่าเป็นตัวแทนพระเจ้านั่นเองเป็นปือนรูปภาพเราก็กราบไหวบูชาอ้เรื่องที่มีองค์ต่างๆขึ้นมานี่เป็นเรื่องของคนสร้า ง, งพระพุทธรูปขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ความหมายถ้าใช้จริงก็คือเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้บูชาคุณนางฟ้าจําแรงครับ ไปทำบุญกระถินที่วัดกับโอนปัจจัยไม่ได้ไปจะได้บุญเท่ากันไหมครับบุญจะเสียเงินไปไม่เท่ากันเช่นโอนเงินน้อยบาทไปเลื่อนเอาเงนน้อยบาทไปทําบุญนี้เงินน้อยบาทนี้ก็จะได้บุญเท่ากันแต่บุญที่ยังไม่ได้ก็คือถ้าเราอยู่บ้านเราจะไม่ได้ความเพียรแต่ถ้าเราไปเดินทางไปนี่เราต้องมีความเพียรอันนี้เป็นบุญหนึอย่า ง, า ง, ง, งเราใช้กันอันนี้ ถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่ถ้าเดินทางไปที่วัดเราก็จะได้บุญอันนี้คือความเพียรคุณอนันต์ธั ญ, ญาครับนำ้ำระสการพระอาจารย์ครับ อ, อ๋อบอกว่าจากสิทธิ์มันดาและน้องของอ ด, ดิตชานฟูลี่นะครับพระอาจารย์จากฮ่องกงครับ คุณเมย์ครับขอโอกาสครับเวลาเราตั้งสัจจะในการเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงระหว่างเดินถ้าหิวน้ําหรือปวดท้องเข้าห้องน้ําได้ไหมครับได้งั้นแล้วหิวน้ํานี่ก็นควรที่จะอดทนไว้ก่อนจะดีกว่าถ้าไม่ไม่ถึงกราทาให้เราตายก็อย่างมเมย์ดื่มน้ําแล้เราอยู่กับการเดินให้มีสติอยู่แต่ ถ, ถ้าเรื่องเข้าห้องน้ำถ้ามันถึงบุตริกที่มันทนไม่ได้ก็ต้องเข้าอันนี้ก็ต้อ ง, องยอม ไปกับสภาพของธรรมชาติใจกับความคิดนี้อันเดียวกันไหมครับมันชอบคิดปรุงแต่งครับใช่ใจเป็นผู้คิดการใส่บาตรวันพระจะได้บุญเท่ากับวันอื่นๆไหมครับเท่ากันคุณแพลเนียครับ ้าแมวไปทำหมันแล้วแมวเสียชีวิตครับควรมองทางธรรมว่าอย่างไรทำบุญให้แมวได้ไหมครับได้ก็ถึงวาระของเขาที่จะต้องตายมีเหตุมีบัจจัยที่ทำให้เขาต้องตายเขาว่าตายถ้าเราไม่มีเจตนาเราเขจะไม่บาปคุณปอครับ ขออนุญาตเรียนถามครับการที่เราสอนจิตของตนเองจะมีใครได้ยินได้ฟังไหมครับหรือว่าผมบ้าไปแล้วขอท่านพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยครับถ้าเราสอนภายในใจก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมาสนใจว่าเราเราสอนตัวเราเองอย่างไรคุณชัยยศครับผมไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนถ้าไม่ดึกมากก็นั่งสมาธิด้วยและจะทําเหรียญมา พนมมือกล่าวว่าทรัพ์นี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจันรวลงพุทธศาสนาแล้วหยอดได้ไหมครับห ย, ยอดหยอดอะไรถ้าหยอดในกระปุก ต, ต้องเอาไปทอยวัดถึงจะได้ทำบุญกับพระพุทธธรรมพะสงฆ์ถ้าหยอดเก็บไว้เฉยๆไม่เอาไปทำบุญก็ยังไม่ได้บุญคุณสิริธรครับ ถ้านั่งสมาธิแล้วลมหายควรทำอย่างไรต่อครับก็ดูที่อยู่ที่จุดเดิมดที่ปลายจมกูกดีว ม, ม่อานตอนนี้เราหายก็รู้ว่าหายไปเฉยๆแต่ก็ดูต่อไปอยู่ที่จุดเดิมไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับตอนที่มีลมคุณชัยยศครับใส่บาดพลาสติกเล็กไว้รวบรวมไปวัดเมื่อไหร่ก็จะนำไปหยอดตู้น้ำค่าไฟ หรือตู้บำบุงพระพุทธศาสนาอื่นๆอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้คุณเล็กครับถ้าเราใส่บาปทุกวันแต่ถือศีลได้เพียงสามข้อมีโอกาสสู่อวัยภูมิไหมครับก็อยู่ที่ว่าบาปมันมันหนักกว่าบุญหรือเปล่าถ้าบุญก็บุญมากกว่าบาปมันก็ยังไม่ไปอบายแต่ถ้าบาปที่เราทำมันมันมากกว่าบุญมันก็จะไปอบายได้ ไม่แต่ข้อเดียวอาจจะไปได้คุณจุธามาสครับการอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้อื่นเขาจะได้รับจริงๆริงไหมครับก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ว่าเขารอรับหรือเปล่าถ้าเขารอรับอยูเขาก็ได้บุญเขาก็จะรู้แต่ถ้าเขาไม่รอรับเขาก็ไม่ได้เขาว่าจะไม่รู้ คุณพรพรครับการที่ผมฝันถึงคุณพ่อที่เสียชีวิตไปเกือบปีแล้วฝันถึงเรื่อยๆนั่นคือคุณพ่อยังไม่ไปสู่สุคติหรือไม่ครับเราสามารถช่วยอะไรท่านได้ไหมครับเราไม่เกี่ยวมันอยู่ความความคิดถึงของเราเองเราคิดถึงท่านแล้วก็ฝันถึงท่านไปคุณท่านจะไปสุคติหรือไม่ให้อยู่ที่บุญที่บาปที่ท่านได้ทำเอาไว้ที่ท่านเราติดตัวไปด้วย ถ้าบุญมากกว่บาปท่านก็ไปสุขคติถ้าบาปมากกว่าบุญท่านก็ไปสุขทุคคติคุณชัยยศที่ถามเมื่อสักครู่นะคะพรอาจารย์บอกว่าหมายถึงได้บุญทุกครั้งที่หยอดเหรียญลงไปหรือไม่เพราะแต่ละครั้งเรายังไม่ได้ไปไหวที่วัดครับยังไม่ได้คืออาจจะได้บุญที่เกิดจากความรู้สึกว่าเราได้เติมตัวที่จะไปทาบุญแต่บุญที่เกิดจากการเสียสละหนอนนี้ยังยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้เสียสละ คุณยดาครับเงินที่เราหยอดกระปุกตอนสวดมนต์ที่บ้านเป็นเหรียญนําออกมานับแล้วแลกเป็นแบงค์ไปทําบุญได้เช่นกันใช่ไหมครับได้เหมือนกันถ้าคุณค่เท่ากันคุณคาราคาเท่ันคุณชัยยศครับอ๋อนี้ถามไปแล้วครับอาจารย์คุณมมาครับตั้งแต่ฟังธรรมกับพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วตัวไม่โยกและไม่หลับแล้ว และนั่งสมาธิได้นานขึ้นกราบขอบพระคุณในคําสอนอและขอคําแนะนําในการนั่งสมาธิให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นครับก็นั่งให้มากแล้วก็ฝึกสติให้มากแล้วต่อไปจิตก็จะสบงบนิ่มเป็นสมาธิได้คุณอําพรครับเราซื้อทรัพย์สินเพื่อให้เช่าเราจะได้พอมีอไรายได้พอกินพอใช้ถือว่าโลภไหมครับ เรามาใช้กับสิ่งจำเป็นก็ไม่โลงแต่ถ้ า, ามาใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ถึงวาโระคุณน้ำมนตครับถ้ากําลังตกอยู่ในอันตรายมีคนรอบทําร้ายเราสามารถแจ้งผู้ที่สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมแต่ถ้าแจ้งแล้วเราจะไปสร้างเวรกรรมต่อกันอีกหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะมา ทำร้ายเราเขาพอใไม่ไม่พอใจเลยไม่ถ้าเขาไม่พอใจเขาจะจังเวจีจองกรรมเราต่อไปเพราถามต่อว่าแต่ถ้าไม่แจ้งจะเกิดอันตรายแน่นอนครับก็อาจจะหมดเวียหมดกรรมได้ยอาไว้คาฆ่าตายเ ม, มียนกรรมจะได้หมดไปมันก็มกรานะท่านก็มีอีกมีวิทย์มีเดชท่านก็ไม่ใช้วิทเดชในเรื่องในเรื่องการต้องกันชีวิตของท่าน ให้มาท่านนีไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกก็เลยปล่อยให้เขาจัดการได้บมดเวณหัดกรรมกันไปการรักษาหมาแมวแต่สัตว์ตายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเราไม่มีเจตนาจะาฆ่าเขาเรามีความตั้งใจจะช่วยเขา คนอยาพยายามครับชาวตะวันตกสรุปใจความสําคัญที่สุดของพระพุทเจ้าคือความเจ็บปวดและการสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรปล่อยวางและอย่าไปต่อต้านมันความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างที่ต้องการทําให้เป็นทุกถูกไหมครับถูกต้องก็สั่งเนตดูสิมันอยู่ในใจเราแท้ๆของพวกนี้ไม่น่ามาถามก็ได้ ถ้าใจชอบคิดไม่ดีควรทําเช่นไรครับหยุดได้ด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทธโทธพุธโทโธนะพมเชื่อไม่ดีแล้วก็พุทโธพุทโธไปทุกคำคุณลุงไม่สบายครับแต่เชื่อแต่องค์เทพทําอย่างไรให้ลุงเชื่อบุญเชื่อบาปครับทําไม่ได้ถ้าเข้าไม่มาศึกษาจากเราปรึกษาเราถ้าเขามาปรึกษาเราแล้วก็บอกเข้าไป ทุกวันนี้ตั้งใจฟังธรรมะและอานาปานาสติทำบุญตามเหตุบ้างขอคำแนะนำพระอาจารย์เพิ่มเติมครับขนทางแห่งความสงบครับไรกาศีลดูรักษาศีลด้วยทำทานรักษาศีลดูระกษภาวนานอกสมาธิจเจริญปัญญามีพี่น้องแต่พี่คิดแต่เรื่องไม่ดีทำให้แม่เป็นทุกข์ ผู้ชีธ้ธรรมะเวรกรรมแต่ก็เหมือนเดิมจะทำยังไงดีครับก็ทำอะไรไว้ได้ก็วางเฉยไปคุณเล็กครับศีลห้าข้อไหนไปสู่อบายภูมิแรงที่สุดครับก็ตามตามลำดับก็คือข้อหนึ่งมันแรงที่สุดกือการฆ่าสักนำนมาเกี่ยวกัการลักษา นอมายก็คือการประพื่อผิดในการนรนละม้ายก็การพูดปุนอนมายก็คือการติดทุรายยาเมางพรานเพราะมันเกิดมันทําโทษหนักเบาไม่เท่ากันการฆ่าเนี่ยมันทํำละมันเป็นโทษหนักเพราะทํำการทำความเสียหายที่หนักมากรักทรัพย์นี่มันยังไม่หนักเท่ากับการฆ่าคนก็ชีวิตนี่มันมีคนฆ่าราคามากกว่าทรัพย์สินเงินทองใช่ไหม คุณสัชาวดีครับการสวดมนต์ภาวนาเป็นการฝึกสติซึ่งบทสวดมนต์มีหลายบทเราจะสวดมีอนิสงส์ตามบทสวดด้วยไหมครับไม่หรอว่าอนิสงส์นี่มันต้องเกิดจากการการกระทําเท่านั้นถ้าสวดเฉยๆมันก็ได้แค่สติ คุณกัญญาครับบอกว่าคุณแม่ดื้อมากไม่ถูกใจลูกหลานสักคนทำดียังไงแม่ก็ไม่ชอบจะทำยังไงดีครับก็ทำใจอย่าไปเําทำอะไรไม่ได้เราต้องเฉยๆไปคุณกิตตบุญครับถ้าเราต้องการตัดความรักกามจะต้องเลิกรากันไหมแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมรับจะต้องทำอย่างไรครับ อันนี้ก็เป็นเองที่เราต้องทำการพูดคุยกันเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีสัญญาเวลาแต่งงานกันนี่เรามีสัญญาว่าเราจะเสพกันร่วมกันนี่ถ้าอยากจะเลิกสัญญาเราก็ต้องมีการต่อรองว่าผู้สัญญาก็จะยินยอมไมหรืถ้าเขาจะยินยอมก็ต้องเรียกค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ว่ากันไปตามตามเรื่องมันคุณต๊กครับ ฝากทำบุญและฝากอาหารไปออกโรงทานแต่ตัวไม่ได้ไปจะได้บุญเหมือนไปด้วยตัวเองไหมครับอย่างที่พูดนะว่ามันได้ส่วนหนึ่งก็คือได้ได้การทาทาทานเสียก็ได้สลเข้าของอันนี้ไปเองแล้วไม่ไปเองก็ได้เหมือนกันอีกอันที่เราไม่ได้ก็คือความเพียรถ้าเราไปเราก็ได้ความเพียรถ้าเราไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ความเพียร คอมเมนต์ <Comment S 2> นะครั บ, รบอาจารย์บอกก็ใส่บาต ท, ทุกเช้าหยอดเหรียญสิบใส่บาทวันละเหรียญครบหน่งเดือนก็นําไปใส่ตู้ที่วัดนะครับอาจารย์ยการนั่งสมาธิแล้วเราเจ็บป่วยปวดเมื่อยร่างกายเป็นทุกข์อรย่างนี้เราได้บุญหรือบาปครับอยที่ว่าเราทําใจสงบปล่อยวางอาการเจ็บปวดได้หรือไม่ถ้าเราปล่อยวางได้จิตเราสงบมีความสุขเราก็ได้ คุณตุกตาครับเวลาสวดมนต์บาลีต้องสวดแปลด้วยมีอานิสงส์เหมือนกันไหมครับถ้าแปลเราก็จะได้ปัญญาได้ความถ้าไม่แปลเราก็จะได้เ่งแต่สติวันนี้พาา ร, ระอาจารย์ตอบคำถามหมดเลยครับอาจารย์ครับยังมีเวลาเลหมยังไงนะเจ็ดนาทีก็คุณน้อยนะจะประกาศแล้วก็ประกาศช่วงนี้ละรานก็ได้นะี่นะเริ่มประกาศไปทีละ เดี๋ยวขอโอกาสพระอาจารย์ประกาศอีกสักครั้งดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อตอนต้นรายการนี้คนยังเข้ามาไม่เยอะครับก็จะก็จะบอกเพื่อนๆว่าวันอาทิตย์หน้าจะมีสองอาทิตย์ครับอาจารย์ครับที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลานิดนึงครับแต่ยังจัดวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับแต่เฉพาะสองครั้งหน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจัดเป็นวันพฤหัสที่ยี่สิบสามครับก็คือวันนี้วันอาทิตย์อาจารย์อังคารพูดไม่เจอแล้วมาเจอพระอาจารย์ในทีวันพฤหัสนะครับ แล้วอีกสัปาดาห์หนึงจะเป็นวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนครับก็สองสองวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับขออภัยอาจารย์และเพื่อนๆด้วยครับพอดีผมติดภารกิจเองครับก็ยังดีที่ไม่ยกเลิกแต่แสดงว่ายังมีการพยายามเนี่ยครับอยากดูว่าพระอาจารย์ไม่ได้แค่อังคารกับพุูดครับพระอาจารย์ว <c oughs> <า> <c oughs> ันส อ, องวันที่ไม่ไม่นำไปนั่นอยู่มันมันยังคายเข้าไปภาสาอังกฤษครับ วันพุธก็เป็นภาษาไทยครับรอรือสอนเกินในทางสูมมีคนเข้ามาในทางสูงได้ไหลายคนแล้วถามด้วยตัวเองไม่ต้องส่งข้อความเข้ามาครับ น, น่าจะหลายๆท่านถ้าอยากจะไปคุยกับอาจารย์เองก็เข้าสูวันพุธได้นะครับเป็นภาษาไทยครับคนแน่น<ช>นะครับก็นะเต็มสว่วนใหญ่ก็เต็มบางทีต้องรอคิวพอเต็มเข้ากาจะบอกให้ราไว้ก่อน ยังไม่ปล่อยให้เข้ามันห้องเขาก็จะดูว่าเวลามันพอไหมเขาจะกะได้ว่าคนที่พูดยาวหรือพูดสั้นอะไรอย่างไรรู้เลยใช่ไหมอาจารยแล้วเขาก็จะคอยดูเวลาที่เหลืออยู่ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่มากก็จะปล่อยให้เข้ามาต่อได้แต่ถ้าเวลาใกล้จะหมดนี่เขาก็อาจจะไม่ปล่อยให้เข้ามามันจะพยายามรักษาเวลาให้ใหครบสองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงเพราะมันจะเดือดึันไป อาจารย์มีคำถามเข้ามาอีกสองข้อครับอาจารย์ครับจากคุณร่มเดชครับถ้าญาติจะไหวแต่เทพเราห่วงส่งธรรมะคำสอนไปให้แต่ถ้าเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจเราเราเลยหยุดอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับเูกอาราอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าถ้าก็ไม่มาขอความปรึกษาตอนราเราก็เฉยๆไปเรื่องกอนเชื่อนี่มันเป็นเรื่องเชืเจิตถิ่นนะเราวเชื่ออะไรเรอย่าไป มาก็ไม่เชื่อนี่ก็อาจจะไม่พอใจก็ได้ครับคุณชาตบีไลครับถ้ารักษาศีลห้าประจําแต่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยกับนั่งสมาธิประจําแต่ไม่รักษาศีลอะไรได้บุญกว่ากันครับอ๋อเป็นไ ป, นปนไม่ได้เต้องรักษาศีลก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้บางครั้งมีเจตนา ดีในการช่วยเหลือคนแต่ผลลัพธ์กลับทำให้ไม่สบายใจอย่างนี้ควรจะวางใจอย่างไรครับก็วางใจว่าเราการกาหนดผลไม่ได้เรายอมรับผลที่เกิดขึ้นก็แลาวกันมันจะทำให้เราสบายใจบ้างแล้วก็ทำให้เราไม่สบายใจบางถ้าเราไม่อยากจะไม่สบายใจเราไม่อยเลยทำอ้ไรครั้งต่อไป ทำบุญกับโรงพยาบาลดีไหมครับอาจารย์ดีทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลนะมนโรงพยาบาลเราที่หมอบอกขาดแคลนเงินไม่ใช่ครับไม่มีเงินเหลือเลยครับถ้าคนเ ม, ม, ม, ม, มีการทํา บ, บุญสักครึ่ง น, นึงจากวัดมาอยูที่โรงพยาบาล น, น่าจะดีนะเพราะจริงวัดก็ส่วนใหญ่ก็เหลือเฟืออยูนะ่แล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องมีเไงินมากมีตามมีหนักจริง ไม่จำเป็นจะต้องมีถาวรแล้วว่าถอะไม่จำเป็นจะต้องสร้างโบวสร้างเจดีย์ทุกวันมันปาวันตาที่ ม, มาไปอยู่ตอนนั้นก็มีแค่ศาลาหล้ำเดียวกพอนนะมีคนอยากจะทาวายสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แทนก็ปฏิเสธไปหมท่ามกลางไปสร้างโรงเรียนแทนคนทำมือกับลงตาทยุคกันได้ท่านยเลยไปช่วยชาวบ้านเนี่ยไปสร้างโรงเรียนให้กับชาวบ้านพต่อมาก็ไปช่วยโรงพยบา กามจริงถ้าญาตโยมที่ทําบุญอยากจะเปลี่ยนจากวัดมาทําบุญที่โรงพยาบาลก็ก็ก็อนุโมทนาก็นี่ว่าดีเพราะโรงพยาบาลนี่จําเป็นอย่างยิ่งมากเพราะว่าจักพระแล้วนี่ขับโยมก็ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนในในเล่มนี้มีกุฏิพระอาจารย์ตอนอยู่บ้นตากเลยครับอาจารย์เข้าไปสอบมาเข้าไปถ่ายรูปมาแล้วถายพระใช่หรือเปาแล้วกุฏิหลังเดิมอะไรครับอาจารย์ ไม่ดูเลยห้าสิบปีครับสี่สิบปียี่สิบปีคุณนัจจันทร์ครับการภาวนาพุโทโธต้องกําหนดลมหายใจด้วยไหมครับหรือว่าบริกรรมไปเรื่อยๆครับยงได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างเดียวก็ได้หรืใจะใช้สองอย่างก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกครับคุณเอกครับ โยมมีลูกชายกําลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสามแล้วสัปดาห์ก่อนบอกว่าจะขอบวชแต่โยมบอกกับลูกชายว่าขอให้เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยบวชแต่ลูกชายก็ยังอยากที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อจะไปบวชโยมควรจะพูดคุยกับเขาอย่างไรกับความไม่ตาพระอาจารย์ครับเก็พูด อ, อย่างที่โยมพูดว่าก็อยากจะให้เรีย น, น, นให้จบก่อนมันจะได้บมดภารกิจเป็นงานงานไปใจจะได้ออไมีดักมีเจน ไม่ใช่เพรอยากจะทําอะไรก็ทําตามเราเดี๋ยวไปบวชได้เดือนสองเดือนอยากจะเสกขึ้นมไป ก, ก็จะเสกอีกงั้นจะทาอะไรให้ก็ทําด้วยเหตุด้วยผลให้ไม่หลักเหตุผลแต่ถ้าเพราะไม่ฟังเราก็ห้ามเขาไม่ได้คําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับมีซึมเศร้าครับจะทําอย่างไรดีครับทําใจให้สงบแลว้วความซึมเศร้าก็จะหายไป ที่มันสั่เศ้าหัวใจอยากอยากว่าไม่ได้ตาใจอยากก็เลยเศร้าอยากบ่อยๆแล้วไม่ได้ตามใจอยากายายาก็ จ, กจะทําให้กายเป็นสั่นเศร้าเลยถ้าทําทสมาธิใจงสงบความอยากมก็จะไม่มีความสึ่นเศร้าก็จะไม่มีม ไ, มมไปขึ้นมาถ้าเาอยากฝึกสตินั่งสมาธิให้ลงว่างทาใจให้สงบแล้วอาการสั่นเศร้าต่างๆก็จะหายไ ป, ไปขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ 1> 6 1ร้อสิบสองนะครับในยูหกร้อยสามสิบหกในกครับสิบในติ๊กตอกสี่ร้อยสี่สิบแปดครับรวมหนึ่งพันเจ็ดร้อยกับห้าคนนะครับอ่านคำถามแรกเวลายี่สินาาสิบเก้านาทีครับพระอาจารย์อ ต, อตอบไปร<อ>้อยสิบคาทครับผมก็ยินดีกับเพื่อท่านที่เข้ามาร่วมสนานารำมาว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยและการสนทนาธรรมสลับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมกวบแก่เวลา ขอให้ท่านของเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสักดิความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหอไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าผมจะไปวันที่23มันตลาดน่าพักพบกันใหม่ครั้งหนึ่งเร็วหน่อยถึงช่วงแค่4วัน3วันส4วันเจะอะไรแล้วราะว่าผมไม่เบื่อ <c oughs> ไม่เบื่อครับอาจารครับกลับขอบพระคุณมากอาจารย์ครับเรื่อง